เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่สิห้าตอนอัทธกถาธรรมบทแปลจากพระบาลีภาคที่สเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวั์สุวัฒโนพิทักษวง์อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กเสียงอ่านโดยโอริยะคุณพุทธธรรมชมรมพลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยคุณกอรชนกมาศวงสกอณคุณสิริพรวงทางประเสริฐคุณยายแหลมสีกงพานคุณสุภาพรเทียมบุญประเสริฐ และครอบครัวโทสกุลเรื่องภิกษุห้ารอผู้ขวนขวายในปฐวีธาตุบรรลุอรหัตปฏิสัมพิธาดังได้สดับมาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารของท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีขณะที่ภิกษุกำลังสนทนากันถึงสถานที่จาริก อ่านไปตามหมู่บ้านต่างๆว่ามีกรวดหินดินลูกรังบ้างแตกต่างกันออกไปพระองค์ทรงตรัสว่านั่นเป็นแผ่นดินภายนอกไม่เป็นประโยชน์ควรพึงพิจารณาแผ่นดินภายในได้แก่ร่างกายของเราอันมีกว้างสอกยาวานาคืบของตนนี้ใครรู้ชัดซึ่งแผ่นดินนี้พร้อมทั้งยมโลกมนุษยโลกนี้และเทวโลก รู้บทธรรมอันเราแสดงดีแล้วดุจในมาลาการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้ชื่อว่าเป็นพระผู้กำลังศึกษาเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้วปฏิบัติฉะนั้นภิกษุห้าร้อยรูปฟังธรรมแล้วบรรลุอรหัตปฏิสัมพิทาข้อธรรมวิจัยอธิบายว่าแผ่นดินนี้ได้แก่คันห้า อายตนะบสองทาปเป็นต้นรวมลงได้แก่ร่างกายและจิตใจรูปและนามคืออัตภาพร่างกายจิตใจรู้บทธรรมหมายความว่านำเอาอัตภาพร่างกายและจิตใจนี้มาพิจารณาด้วยข้อธรรมที่ทรงตรัสสอนว่าไม่ควรประมาทคือมีสติตัวรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกรู้ชัดว่า ตั้งกายอยู่อย่างไรให้รู้ชัดอาการนั้นๆว่าอะไรกำลังปรากฏเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบทธรรมอันเราแสดงดีแล้วได้แก่ธรรมะอันเป็นองค์ต ร, รัสรู้ความพ้นทุกข์คือโพธิปัจกิยธรรม37ประการได้แก่สติปัญหาสี่เป็นต้นนี้แหละทางสู่ความพ้นทุกข์ มีหนทางเดียวที่ทรงชี้บอกท่านพึงศึกษาบทธรรมดังกล่าวแล้วรู้วิปัสนาภูมหกที่ตั้งแห่งปัญญาที่จะเข้าไปดับทุกทั้งปวงหนทางอื่นนอกจากนี้ไม่มี